กายกับใจแล้วก็มีสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องมากมายเช่นสิ่งของงานการรวมทั้งผู้คน ร, รอบข้างสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งกายและใจนี้เราก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องถ้าเกี่ยวข้องให้ถูกต้องก็เกิดความสุข เกิดความราบรื่นเกิดความเจริญวันนี้สิ่งที่มันเป็นพื้นฐานนะของการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็คือกายกับใจกายกับใจนะมันเรามีหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแล ดูแลยังไม่พอก็ต้องฝึกด้วยร่างกายของเรานะีแต่ก่อนก็คนดูแลก็เป็นพ่อเป็นแม่นะตอนที่เรายัางเล็กพ่อแม่ปุยตายายไม่ได้ดูแลอย่างเดียวก็ฝึกด้วยนะฝึกกายของเราเช่นฝึกให้รู้จัก ยืนรู้จักนั่งรู้จักเดินเมื่อเราโตขึ้นเราก็ก็ต้องทำหน้าที่นั้นด้วยตัวเองเนะี่ยไม่ไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้เราต้องไปหาอาหารกินเองการขับถ่ายก็ต้องทำเองจะให้พ่อแม่ทำเหมือนเด็กๆอันนี้มันก็ไม่ได้แล้วการดูแลก็ มีความซับซ้อนมากขึ้นนะเช่นต้องออกกำลังกายต้องนอนหลับพักผ่อนพอเพียงตง้องฝึกนยฝึกกายของเราให้ทำอีกหลายอย่างฝึกการใช้มือในการใช้นิ้วในการเขียนหนังสือในการทำงานช่างสารพัดมาพูดถึงการฝึกกายนะ หรือว่าโดยเพราะการออกกําลังกายเนี่ยส่วนใหญ่ันก็หนีไม่พ้นเรื่องการนะการการใช้แรงนออกกำลังกายด้วยการยกน้ําหนักออกกําลังกายด้วยการอแบกของเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงใจนี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องดูแลก็ต้องฝึกนี่ แต่การฝึกใจที่สําคัญเนี่ยมันจะเรียกว่าคนระแบ ก, กว่ากายเลยก็ได้นะกายนี่ร่างกายแข็งแรงก็ต้องยกน้ําหนักต้องแบกของแต่ใจนี่ตรงข้ามคือต้องวางฝึกให้วางกายนี่ม่คยไม่เค่อยอยากแบกของเท่าไหร่นะไม่ค่อยอยากแบกอะไร แต่ว่าใจนี่มันกลับชอบแบกนะมันนิสัยตรงข้ามนะกายนี่อยากจะปล่อยสบายนะไม่อยากจะทำอะไรเลยแต่ใจนี่มันมันสารพัดจะทำโน่นทำนีนะ่อยู่เฉยๆไม่เป็นกายมันอยากจะนอนอยากจะนั่ง แต่ว่าใจนี่มันจะไปคิดทำโน่นทํานี่สารพัดคิดปรุงแต่งมากมายถ้าอยู่เฉยเมื่อไรใจนี่ก็จะกระสับกระส่ายแต่ว่ามันก็ยังพอหาทางออกโดยการคิดพุ้งปรุงแต่งไปสารพัดเยี่ยเรานั่งอยู่นี่นะใจเนี่ยนะไปไหนก็ไม่รู้ นนคิดไปโ น, น่ยคิดไปนี่และคิดแปลงนี้ไม่พอจะไปแบกด้วยนะคิดเรื่องอะไรก็ตามก็จะแบกเอาไว้คือปรุงไปเรื่อยๆกายนี่เวลาเจอเจอของแหลมเจอไฟ เ, เจอน้าร้อนเนี่ยพอถูกปุ๊บนี่สมมุติถูกด้วยมือมือไปถูก ของแหลมือไปถูกไฟนี่ก็จะถอนมือออกมาโดยโดยทันทีเลยโดยอัตโนมัติรีบดึงมื อ, อ, อกมาดึงนิ้วออกมาทันทีไม่รอให้ถูกไฟลนเผานานหรือบางทีไม่รอให้น้มเนี่ยมันทิ่มลึกนะรีบดึงออกมารีบดึงเท้าดึงเมื อ, อ, อกมาแต่ใจนี่เวลามันโดน ความร้อนเผาเช่นโทสะความโกโรธหรือความเจ็บมันจดจอยนะมันจมมันไม่ยอมดึงออกมาถอนตัวมาจากไฟโทสะเข้าไปคุกคลีคุกเคา้าเข้าไปไปคลอเคลียอยู่กับไฟ อารมณ์เหล่านั้นทั้งที่ยิ่งคลาดเคลือ ย, ยิ่งคลุกครามก็ทุกข์นะแต่ก็ไม่ยอมนไม่ยอมถอนตัวออกมา เ, เปรียบเทียบก็เหมือนว่าไปจับเอาไปถือเอาฐานก็อนแดงแดงถ้าเป็นกายเนี่ยถ้าถือฐานก็นแดงนี้รีบสะบัดทิ้งเลย แต่ใจนี่มันจะถือเอาไว้ถือเอาไว้เวลาแบกถ้ากายแบกหินเนี่ยมันจะแบกไม่นานมันอยากจะมันอยากจะปล่อยมันอยากจะวางแต่กายนี่แต่ใจนี่มันอยากมันแบกปัญหาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางากายกับใจมีลักษณะที่ตรงข้ามกันหลายอย่าง เวลาฝึกกายก็ฝึกให้เขาออกกำลังกายฝึกให้เขาแบกโน่นแบกนี่แบกน้ําหนักยกน้ําหนักนะซึ่งจะทําให้กลามเนื้อแข็งแรงขึ้นส่วนใจนี่นะการฝึกที่สําคัญคือ ก, การฝึกให้ปล่อยให้วางฝึกให้อยู่เฉยๆบ้างเช่นะนการที่เรามาตามลมหายใจเนะี่ยตามลมหายใจก็ ก็ให้ใจมาอยู่ลมหายใจม ไ, ไ, นะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไหลไปลอยไปอดีตอนาคตแต่ก็รู้กันโดยทั่วไปว่าใจมันก็ไม่ยอมอยู่เมื่อหล่ ย, ยกมือสร้างจังหวะนะกายมันก็เคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจมันไม่ยอมไม่ยอมอยู่กับกายมันก็ไปของมันนะแต่ยื่มันไปนะเท่าไหร่นี้ก็ยิ่งต้องจาเป็นต้องฝึกมันให้อยู่นิ่ง มากขึ้นอยู่นิ่งๆก็แค่ดูเฉยๆดูกายมันเคลื่อนขยับก็คือให้รู้ตัวนะเวลาทำอะไรก็ให้ใจมันอยู่กับสิ่งนั้นเวลาแบกหินกายแบกนะใจมันก็แค่อยู่เฉย แต่ใจมันไม่มันไม่ยอมอยู่เฉยมันก็มันจะพลอยแบกเขาด้วยนะแบกบความทุกข์ไปด้วยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นพระชาว อ, อเมริกัน่ยเป็นนัก บ, บวชเซนด์เราถึงอาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งชื่อชุนริวสุสุ ก, ส ก, กนะินี่คนนี้ดังมากนะไปสร้างวัด เซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกทุกวันนี้ก็ยังวัด น, นี้ก็ยังอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นมีชื่อเสียงมากตอนที่อาจารย์ชุนเรียวสร้างวัดนี้ก็ประมาณ 50-60 ปีที่แล้วอาจารย์ตอนนั้นก็อายุ60แล้วแต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นชาวอเมริกัน เป็นวัยรุ่นนะระดับพวกแบบพวกฮิปปี้เนี่ยพวกแสวงหาหันมาสนใจาศาสนาหรือปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะเซนตอนที่มีการสร้างวัดครั้งแรกนี้ก็ก็ได้พวกลูกศิษย์ลูกหานี่วมาช่วยจา์ชุนวยวสร้างวัดก็ต้องขนไม้ขนอิด แบกหินนสารพัดเพราะว่าต้องทํามันเองจ้างคนไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ตอนนั้นฝรั่งนี้ลูกศิษย์ขนไปได้ทํางานไปได้แค่ครึ่งวันก็เหนื่อยแล้ะพักส่วนอาจารย์ที่ทําทั้งวันเลยอาจารย์ตัวเล็กกวลูกศิษย์ต้องเยอะอายุมากก็ด้วยอายุเป็นสามเท่าเลยอาจารย์นี่หกสิบลูกศิษย์นี่แค่ยี่สิบ รู้สึกว่าแปลกใจอาจารย์ทําได้ยังไงทั้งวันถามว่าทำไมอาจารย์ทําได้ทั้งวันอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่าารู้สึกนี่งงเลยพักอะไรเห็นเหนื่อยอาจารย์ทําอาจารย์ทํางานก็จริงนะแต่ว่าใจมันได้พักตลอดเวลาที่ขนหินขนไม้ก็ขนแต่กายแต่ใจพัก ใจไม่ได้แบกด้วยใจเป็นแค่รู้นะรับรู้ตลอดเวลาที่กายมันทํางานนะแต่ว่ามันก็รู้เฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้แบกนะส่วนลูกศิษย์นี่ไม่ไม่ใช่ว่ากายแบกอย่างเดียวใจก็แบกด้วยกายแบกหินแบกไม้แต่ใจนี่แบกความทุกข์เมือ่อไรจะเสร็จเมือ่อไหรจะเสร็จอะไรเงี้ยเวลาหนักเกิดทุกข์ เวทนาขึ้นแทนที่จะแทนที่ใจแทนที่กายมันจะเจ็บจะปวดอย่างเดียวใจมันก็เจ็บใจมันก็ปวดใจก็เมื่อยด้วยมันแบกเอาความเจ็บความปวดความเมื่อยไปด้วยนะคือมีความสุกูปวดกูเมื่อยนเะนี่ยแนวเคล็ลับออาจารย์ชุนเรียวคือว่าแบกแต่กายนะส่วนใจแค่ดูเฉย อใจถึงอาจารย์บอกใจอาจารย์บอกว่าพักตลอดเวลาเนี่ยที่พักตลอดคือใจมันพักซึ่งก็ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนเราถ้าจะถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยแค่อย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ใจไม่เหนื่อยตั้งแต่คนส่วนใหญ่นี้มันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายในใจเหนื่อยด้วยพอาะใจก็ไปแบกแบกเอาความทุกข์แบกเอาความคาดหวังแบกเอาความ ดอัดขัดเคืองความปวดความเมื่อยเนะี่ยแบกก็ด้วยซึ่งมันก็น่าแปลกนะเพราะว่ายิ่งแบกเนะ่ยมันก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าใจมันก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีจริงงการปฏิบัติทางการทำงานก็เหมือนกันนะคือว่ากายทำอะไรก็ทำไป ใจก็แค่อยู่เฉยๆแค่รับรู้รับรู้กายว่าทาอะไรอันนี้เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแนะจริงอยู่บางครั้งต้องใช้ความคิดนะก็คิดไปแล้วก็ใช้ใจคิดนะแต่ว่าคิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้จักวางด้วยถึงเวลาก็วางก็วางถึงเวลาคิดคิดแต่บางทีมันไม่ได้คิดอย่างเดียวคิด เวลาคิดมันไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นลานะคิดอะไรก็ไม่รู้แต่แนที่คิดเรื่องงานก็ไปคิดเรื่องลูกไปคิดเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องหนี้สิเรื่องอดีตเรื่ององนาคตท้งที่ไอ้สิ่งที่ควรคิดเนี่ยมันคือปัจจุบันนั้นเวลาพูดถึงการฝึกเนี่ย ฝึกกายก็ต้องฝึกใช้ครับฝึกใช้กล้กกลามเนื้อฝึกให้มันทำงานให้มันแบกให้มันขนแต่ฝึกใจต้องฝึกให้มันปล่อยให้มันวางให้มันอยู่นิ่งๆถ้าทำไมมันชอบแบกชอบยึดนะใจเนี่ยนะก็เพราะมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวมันก็ไปแบกพอแบกแล้วก็บ่นนะว่าทุกข์ทุกขทุกข เมื่อคนที่แบกก้อ น, นหินเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าทุกเหลือเกินทุกเหลือเกินหนักมากหนักจริงๆเสร็จแล้วก็ไปบน่นไปโทษก้อนหินว่าทำไมมันหนักอยว่วะแต่ไม่เคยถามเลยแล้วฉันแบกมันทําไมได้แต่บ่นได้แต่โทษก้อนหินว่าก้อนหินมั น, มนมห น, น, น, น, น, นักเว้ยหนักจริงๆแต่ไม่เคยถามตัวแล้วแล้ว กูแ บ, บมันทนําไมแล้วคนสน่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะทุกพระแบกนะเสร็จแล้วก็ยังไปโทษสิ่งที่แบกว่ามันหนักนะทําไมนี่มันเยอะแบบนี้ทําไมปัญหามันสารพัดเหลือเกินนะปัญหามันเยอะแยะไปหมดโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วแบมันทำไมนะไปโทษปัญหาไปโทษก้อนหินนะ แต่ว่าไม่กลับมาดูตัวเองนะหลุมนะอาจารย์หลวงพ่อชานมันพูดหลุมนี่เอามือล่วงไปไม่ถึงก้นหลุมนี่ก็คนมักจะพูดนะว่าหลุมมันลึกแต่ไม่เคยมีใครถามเลยเป็นเพราะแขนเรามันสั้นหรือเป่าไปโทษแต่ว่าหลุมลึกแต่ไม่ดูไม่โทษว่าแขนตัวเองสั้น เวลามีความทุกข์ก็ไปโทษนั่นโทษนี่นโทษปัญหาโทษใครต่อใครแต่ไม่กลับมาดูใจว่าไปแล้วไปแบะมันทำไมไปยึดมันทำไมมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเขียนคำถามมาทางเฟซบุ๊กถามก็คงจะมีอายุแล้วนะแต่ยังอาจจะยังไม่กเกษียณแวขาดทุนเพราะคุณไป เงินหายขาดทุนเพราะว่าหุ้นราคาตกไปไปเยอะเลยก็ผ่านไปเป็นปีแล้วอาจจะสองปีแล้วแกก็ยังเสียใจนั่นแหละแกเสียใจที่ที่ที่เสียเงินไปกับหุ้นล้วก็โทษตัวเองเนะโทษตัวเองไม่รู้โทษเพราะว่าเอาเงินไปซื้อหุ้นหรือโทษเพราะว่าอาไม่ ไม่รีบขายคุณแต่ตอนที่มันราคาเริ่มตกแกก็ไม่ได้บอกแต่รู้สึกเสียใจแล้วที่และยังซ้ำเติมตัวเองนะก็คือว่ามีความกังวลว่าเมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยนะไอ้เงินที่เก็บนี่มันจะพอไหมสำหรับการอยู่ไปจนแก่มองไปถึงอนาคตลวโอ้แล้วเราจะ ถ้าเราไม่มีเงินเดือนแล้วเงินเราจะพอไหมเนี่ยนะก็เกิดความกังวลตามเข้ามาด้วยนะแล้วยิ่งกังวลเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปยิ่งไปโทษตัวเองมากขึ้นนะที่ปล่อยให้เงินมันหายไปกับหุ้นก็โทษตัวเองไม่ยอมให้อภัยตัวเอง แกก็มีอาการประเภทกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะใจวิววูนะเวลาคิดเรื่องพวกนี้ที่ถึงเรื่องที่เสียเงินจากการจากการเล่นหุ้นนะไม่รู้ทำไงคือนะจริงอดีตเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะแก้ไขอะไรไม่ได้จะคิดถึงมันทำไมอนาคตก็ยังม่มายังมาไม่ถึงนะ มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราวาดภาพเอาไว้ก็ได้ว่าออนาคตนี่ฉันไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมานนเงินอาจจะหมดแต่างๆคิดไปสารพัดเกี่ยวกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นเพียงวันนี้ก็ทุกข์นะทุกข์พะอดีทุกขนะ์กพอ่ออนาคต ที่ยังอดีตไม่ทําให้ทุกง่ะแต่ประวังใจไม่เป็นเนี่ยเช่นไปยึดมันไปนแบ่มันอดีตนี้ถ้าเรารู้จักหาบทเรียนจากมันนะมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราใคร่ควรพิจารณามันโอ้มันให้ประโยชน์เยอะเลยถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตที่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นขาดทุนเนี่ยหุ้นขาดทุนเพราะหุณเนี่ย หรือว่าคนรักตายจากหรือว่าทำงานล้มเหลวเป็นเหตุการณ์ที่ทางพระหรือว่าอนิจจารมไม่น่าพอใจแต่มันไม่ทำให้ทุกข์นะถ้าว่าเรารู้จักพิจารณาเอามาเป็นบทเรียนมันจะทุกข์ก็ต่เมื่อไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องเช่นไปคิดถึงด้วยความอาลัยคิดถึงด้วยความเศร้าโศกก็คือไม่ได้ใช้สติในการ ในการเกี่ยวข้องกับมันเหตุการณ์อดีตไม่ว่ามันแย่มันย่ำแย่ใครไหนมันไม่ทำให้ทุกข์นะถ้าเกี่ยวข้องกับมันเป็นนะหลายคนมาเกี่ยวข้องกับอดีตเป็นแล้วนี่นึกย้อนไปทีไรก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เสียใจอะไรถึงแม้แต่ก่อนนี่หวเศร้าเสียใจรู้สึกผิดนะลูกตายคนรัก ตายก็โทษตัวเองว่าเป็นทําเป็นเหตุหเขาตายนะคิดทีแล้วก็จะบปวดทุกทีแล้วก็อยากจะลืมอยากจะลืมมันที่จริงถ้าเกี่ยวข้องกับมันถูกนะไม่จำเป็นต้องลืมอะ่ะเกี่ยวข้อกับมันถูกด้วยการหาบทเรียนจากมันเออมันสอนใจแล้วมันสอนเห็นว่าชีวิตมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยเนี่ย พอคิดได้แบบนี้เนี่ยเวลานึกถึงมันอีกนึกถึงทีไยใจก็ไม่ทุกข์นะไม่เวลามันบอกว่าอดีตมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันไม่จริงนะอดีตมันไม่ทาให้เราทุกข์แต่เราเกี่ยวข้องกับอดีตไม่เป็นตังหาเสียงไม่ทำให้เราทุกข์ไม่ทำให้เราหงุดหงิด น, นะแต่เป็นเพราะเราเกี่ยวข้องกับเสียงไม่เป็นนมันก็เลยทุกขนะ์ห็นมันก็ไม่ทาให้เราทุกข์นะ ถ้าเราไม่ไปแบกมันนะถ้าเรานั่งแทนที่เราจะแบกหินเรานั่งบนหินนะโอ้สบายนีนั่นจะไปโทษหินทำให้เราทุกข์ไม่ได้นะแต่เปเพราะเราเกี่ยวข้องกับ ม, มันไม่เป็นก็คือไปแบกมันเอาไว้ปัญหาก็ไม่ทำให้เราทุกข์นะอย่างที่มีคนมีกว่าว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มเนะ่ย โล่มีไว้เดินไม่ใช่มีไว้แบกนะถ้าแบกโล่นี่ก็ถูกแต่ถ้าเดินอยู่บนโล่นี่ยสบายบางคนมักจะโทษวนะ่าเวลาทุกข์ก็ไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้ว่าทุกขนะ์แต่ไม่ได้ดูดใจว่าเป็นเพราะใจเราต้องหาไปเกี่ยวข้องไหมไว่เป็นนะี่เป็นเพราะไปแบกหินนะเป็นเพราะไปมวัวแต่แบกปัญหานะ บางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ถูกนะใช้ปัญหาเนี่ยมีปัญหาแล้วเขาก็สูอเออมันได้เรียนรู้จากปัญหาได้เรียนรู้จากปัญหาปัญหาฝึกใจให้เข้มแข็งปัญหาฝึกให้เราฉลาดหรือปัญหาฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางตัวนี้ยิ่งยาเข้าไปใหญ่นะปัญหาฝึกให้เราปล่อยวางเจอเรื่องเจอเรื่องที่ เรื่องขัดอกขัดใจนะแต่ก่อนก็ทุกข์กับมันนะเจอเรื่องที่ขัดอกขัดใจผู้คนสิ่งของขัดอกขัดใจไปหมดบินฟ้าการขัดอกขัดใจแต่ตอนหลังเอามาใช้รู้จักใช้มันในการขัดใจให้สะอาดขัดอัตตาตัวตนให้เบาบางขัดกิเลสให้ให้หายไปสิ่งที่เคยใช้ สิ่งที่เคยทำให้ขัด อ, อกขัดใจคือทำให้ใจติดขัดทำให้ใจเป็นทุกข์แต่ตอนหลังใช้มันเพื่อขัดใจให้สะอาดนะขัดกี่เลียให้เบาบาง <c oughs> ก็ดีกลายเป็นของดีไปนั่นจะไปโทษสิ่งภายนอกแล้วกลับมาดูใจว่าใจเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องถูกไหม กลับมาเรื่องที่ผู้หญิงคนที่เขามีความทุกขนะ์เนี่ยกับเรื่องเสียเงินพ่อหุ่นแล้วก็กังวกลกับอนาคตไม่ถึงเนยะก็บอกเขาว่านี่คนเราเนี่ถ้าถ้าจะเสียนะ่ยคุณจะเสียอย่างเดียวนะก็คือเสียเงินนะั่นแต่ว่าอย่าปล่อยใจให้เสียเพราะถ้าปล่อยใจให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียสุขภาพอย่างผู้หญิงคนนี้กินไม่ได้นาอนไม่หลักแล้ว ไม่นานถ้าเป็นไปงนี้ไปเรื่อยๆคงจะป่วยเสียสุขภาพเสียใจก็ทำให้เสียงานถึงแม้ยังสามารถไปทำงานได้ไม่ล้มหมอนนอนเสือ่อแต่ว่าใจไม่มีสมาธิงานก็เสียเผลอๆถูกไล่ออกก่อนจะเสียนอีกเนะี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งวิตกกังวลเพราะว่าไม่มีเงินเก็บนี่มันก็ทำให้ แย่ลงไปเพราะว่าเงินเก็บก็น้อยลงเพราะออกจากงานก่อนกเกษียณแล้วคนที่รักตัวเองเนี่ยก็จะถ้าเขาเสียเงินก็จะก็จะปล่อยให้เงินก็จะปล่อยให้มันเสียแตงเงินแต่ว่าใจไม่เสียะสุขภาพไม่เสียงานไม่เสียแต่ว่าพอไม่รักตัวเองกลางทางถึงว่าปล่อยให้มันเสียไประเนระนาดเป็นหมด อันนี้เรียกว่าไม่มีปัญญานะคนผู้เจ้าตถว่าคนผ่านปัญญาสามย่อมทากับตัวเองเหมือนศัตรูก็คือทำร้ายตัวเองรวมถึงซ้ำเติมตัวเองด้วยอันนี้เพราะว่าใจนี่มันไปยึดนะกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ยึดนะไม่ปล่อยไม่วาง อ น, นาคตจะมาไม่ถึงก็ไปแบกเอาไว้ถามว่าทํามไมถึงยึดนะถึงแบกในสิ่งที่ทําให้ทุกข์นะก็เพราะไม่มีสติไม่รู้สึกตัวพอไม่มีสติมันก็เผลอไปแบกไปยึดตามความเคยชินเพราะจิตเนี่ยมันมันทําอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ่อนตาออกแล้วมันก็ไปแบกแบกสารพัดแล้วก็ก็ยังไปแบกอีก น, นะ ไอ้ปัญหาความทุกข์อันนี้เราทำตามความเคยชินแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะก็จะวางเลยนะรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะวางนี่สติสำคัญมากนะในการที่ช่วยทำให้เราเนี่ยนะไม่ซ้ำเติมตัวเองพอไปแบกบไปนึกถึงเรื่องอดีตนะก็รู้ทันปุ๊บก็วาง พอนึกถึงเรื่องอนาคตกังวลนะว่าเราอยุเจ็ดสิบแปดสิบจะอยู่ยังไงกับเงินเ็บแค่นี้พอรู้ปุ๊บวางมันจะคิดไปทำไมตั้งยี่สิบปีข้างหน้านะตอนนี้ก็ยังไม่หกสิบเลยเนะี่ยคิดไปถึงแปดสิบแล้วและคิดไม่ใช่คิดในการค่้ควรนะเพื่อวางแผนนะคิดแต่เป็นการคิดเพื่อ ซ้ำเติมตัวเองทำให้เกิดความวิตกกังวลการนึกถึงหรือการคิดมันมีสองแบบมนะัคิดด้วยสติปัญญาหรือคิดด้วยความหลงนะถ้าคิดด้วยความหลงนี่มันก็เกิดความกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยให้มันดีขึ้นอาจจะเจ้าจุกนะแต่ถ้าคิดเพื่อวางแผนเออแปดสิบปีนี่ เราจะอยู่ยังไงก็ต้องวางแผนแล้วถึงตอนนี้จะเรื่องเก็บเงินเรื่องเรื่องการใช้ใจ่ายเรื่องรายรับรายจ่ายเนียมันก็ต้องคิดอันนี้ดีคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญานี้เกิดประโยชน์แต่คิดนึกด้วยความหลงนี่มันเป็นโทษผู้เจ้าไมไ่บอกว่าไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคต ในที่ว่าคิดอย่างไรในลักษณะดใดอดีตก็ถ้าเรามองเพื่อวางแผนนะ <c oughs> อันนี้ดีเพื่อประเมินหรือเพื่อสรุป บ, บทเรียนเอาบทเรีย น, นอนดีตมาใช้ในการวางแผนอนาคตอันนี้ดี <c oughs> ที่จย่างพุเจ้าก็สอนให้คิดถึงอนาคตอยู่เรื่อ ย, อยนะฉะนันนึกถึงความตาย นึกถึงความตายก็จะทำให้เกิดความไม่ประมาทอย่างที่เราเสว่อมมาสักครู่เนี่ยนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเสื่อมไป น, น, นานๆเขาคือตายนั่นเองท่านทั้งหลายจงนำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนึกถึงความตายที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อกระตุ้นให้ทำความเพียรเสียแต่วันนี้ความเพียรเบกิจที่ต้องทา วันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้อันนี้ก็ผู้เจ้าก็ตัดไว้นึกถึงความตายวันพรุ่งนี้เพื่อได้กระตุ้นให้ทําความเพียในวันนี้ <c oughs> ก็คือทําให้ปัจจุบันนี้ดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะความตายแต่นึกถึงเรื่องความป่วยด้วยอย่างผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยในขาที่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยก็ให้ระลึกตอนหนักไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่เนะี่ยถึงตอนนั้น จะทำความเพียรได้ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำความเพียรตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่ตอนนี้เรายังมีกําลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วดก็ให้คิดให้ตระหนักว่าพรุ่งนีน้วันหน้าเราก็ต้องเจ็บต้องป่วดถึงตอนนั้นก็จะทํางานไม่ได้ทําความเพียรลําบากเพราะฉะนั้นรีบทำแต่แต่วันนี้เนี่ยวันนี้เรายังมีกินมีใช้แต่ว่าวันหน้าเนี่ยอา จ, จะข้าวยากหมากแพง ถึงตอนนั้นก็จะลำบากเพราะฉะนั้นต้องทาความเพียรแต่วันนี้วันนี้บ้านเมืองยังสมยังผู้คนยังมีความสมัครคีกันบ้านเมืองมีความสงบราบรื่นแต่วันหน้าอ า, อาจจะวุ่นวายผู้คนทะเลาะบอแว้งกันเกิดสึกสงครามถึงตอนนั้นก็ทำความเพียรลำบากเพราะนั้นทำความเพียรแต่วันนี้วันนี้หมูสงยังสมัคคีกัน แต่วันหน้าก็อาจจะทะเลาะเบาแหวงกันถึงตอนนั้นก็จะทําความเพียรได้ลําบากเพราะฉะนั้นที่ทําความเพียรที่แต่วันนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องอนาคตภลายห้าปากกาครูจ้าวก็สอนนะว่าให้เราลือกถึงภายในอนาคตเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้ตกกังวลแต่เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นทําความเพียรที่แต่วันนี้นี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าเวลาให้ ไม่คิดถึงอดีตด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่พยากรณ์อนาคตเนี่ยนะมันต่างจากการคิดถึงอดีตเพื่อเพื่อสรุปบทเรียนและการวางแผนอนาคตที่ถ้าเราเข้าใจแบบ น, นี้เนี่ยนะเมื่อเราตามวิจัยเป็นเผลอไปคิดถึงอดีตด้วยความเศรา้าโศกเสียใจก็เออให้รู้ทันแล้วก็วางมันซะนะ แต่วางไม่ได้นะเพราะใจนี่มันถูกฝึกมาให้ให้ยึดให้ให้แบกเราก็ต้องฝึกใจอีแบบเนี้ฝึกใจให้มันปล่อยให้วางการเจริญสติเนี่ยการทาสมาธิภาวนาก็คือการฝึกใจให้วางให้จิตนี่มาอยู่กับความรู้สึกตัวให้จิตมาอยู่กับการกระทำกายทำอะไรใจก็ไม่ต้องทำอะไรใจแค่รู้อยู่เฉย รู้ว่ากายทำอะไรแค่นั้นพออยู่นิ่งๆเหมือนก็แค่เป็นผู้ ด, ดูนะดูกายมันทำไปแต่พอมันเผลอคิดไปนึกคิดไปโน่นคิดไปนี่นะให้มีสติรู้ดึงใจกลับมากลับมาดูกายว่ามันทำอะไรนะกายมันหายใจก็เออก็ดูมันหายใจกายมันยกมือก็ดูมันยกมือกายมันเดินไปเดินมาก็ดูมันเดินไปเดินมา แค่นั้นแหะมันนี่คือพื้นฐานของการเจริญสตินะกายทำอะไรใจก็แค่รับรู้หรือดูอยฉยเฉยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวนะเมื่อกายทำอะไรใจก็รับรู้เนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นและตอนนั้นก็เป็นความสุขเป็นความเบาเพราะตอนนั้นมันไม่ไปแบกเอาความทุกข์ในอดีตหรือไปแบกความทุกข์จากอนาคตที่วาดภาพปุงแต่งในทางลบขึนมา สิ่งที่มันยากคือตอนที่ใจมันไม่อยู่นิ่งใจมันไปโน่นไปนี่นะบางคนก็พยายามที่จะใช้วิธีรุนแรงกับจิตใจไปล่าคลอนกลับมาหรือว่าคิดเรื่องอะไรความคิดเรื่องอะไรก็ตกกระโหลกกันเนี้ยหลายคนทำแบบนั่งกับใจของตัวเองเนั่คือไปลงโทษใจไปใช้ความรุนแรงกับใจเนีย ไปเบรคไปห้ามความคิดไปกดขมอารมณ์ต่างๆไปบังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจไปบังคับจิตให้มันให้มันอยู่กับการเค้ื่อนไหวเหมือนกับว่ากดคอมันเอาไว้ให้มันอยู่ไหมกดคอมันาไว้ไม่ให้มันไปไหนเนี่ยบางคนทำอย่างนั้นนะไม่ใช่บางคนหลายคนด้วยบังคับจิตให้มันอยู่กับกายนะกดคอมันเอาไว้ไม่ต้องไปไหนล่ามโซ่มันเอาไว้ อันนี้ก็ทําให้ใจมันต่อต้านเนี่ยยิ่งไปบงังคับมันยิ่งต่อต้านกูไม่อยู่แล้วโว้ยกลายมันคุกนะกลายไม่ใช่บ้านต่อไปแล้วใครที่ไปทํากับรูปแบบนั้นเนี่ยนรนะูปหนี้ออกไปข้างนอกบ้านก็ไปลากคอมันออกมาเขียนตีมันนะเด็กก็จะรู้วบ้านี่เป็นคุกบ้านนีะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านต่อไปแล้วหาทางนี้อย่างเดียว จิตก็เหมือนกันนะไปทําอะไรรุนแรงกับจิตเนี่ยนะปฏิบัติธรรมเจริญสติแต่ว่าใช้วิธีการรุนแรงกับจิตนี่จิตมันก็พยศหลายคนทําแล้วจะเครียดหลายคนทําแล้วแน่นหน้าอกหลายคนทําแล้วก็รู้สึกปวดหัวกระสับกระส่ายนี่ไปเพราะไปใช้ความรุนแรงกับจิตก็เพียงแต่จิตมันเผลอนวนไปนวดไ ป, น, น, ไปนี่ก็เรียกกลับมาก็นั่นเองเรียกกลับมา กลับมาอยู่กับกายกลับมาบ้านใจมันก็เรื่องอย่างมันเหมือนก็เด็กใจแตกวก็ต้องหาทางให้อยู่นิ่งๆไม่อยู่ก็จะไปนู่นไปนีนะ่ก็หมายเป็นไลนะ่เราใช้ความอดทนเหมือนกับแม่ที่อดทนกับลูกก็ไปเรียกมาไม่ต้องถึงกับไปลากคอมานะไม่ต้องถึงกับไปไปลงโทษเขา พยายามติเกลี่ยกล่อมตะล่อมให้มาอยู่กับกายเหมือนกับว่าตะล่อมเด็กให้มาอยู่กับบ้านเมื่เด็กเขามาบ้านแล้วสึกเออได้พักผ่อนมันสบายมีข้อสวับ้านเป็นเป็นที่ที่เขามีสละจะออกไปไหนก็ได้จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเขารู้สึกแบบนี้เขาก็อยากจะกลับบ้านเพราะเขาสึกว่าเนี่คือบ้านแต่ทําให้บ้านเป็นคุกเมื่อไหร่เนี่ยนะคือออกไม่ได้ก็จะยิ่งพยายามแหกคุกมากขึ้น จิตก็เหมือนกันนะทำทำกายเป็นบ้านนะมันก็อยากจะมาก็จะจิตใจก็จะน้อมมาอยู่กับบ้านมากขึ้นอยู่กับกายมากขึ้นแต่ถ้าทำกายเป็นคุกนะคือบังคับจิตให้อยู่กับกายบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจแนบแน่นบังคับจิตให้อยู่กับมือให้อยู่กับท้าเวลาเดินจนงกลมสร้างยางวะมันจะพยายามแหกแหกคุกแล้วทีนี้จะพยายามท่องเที่ยวไป เตเตเล่ร่อนสารพัดเพราะไม่อยากกลับมาที่คุกอยากจะอยู่นอกคุกมากกว่าวิธีการฝึกจิตมันต้องใช้วิธีการที่ฉลาดอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะแต่จุดห้ายปลายทางคือทำให้เขารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักอยู่นิ่งนิ่งรู้จักเป็นเกลือกับกายนะกายทำอะไรใจก็อยู่กับกายไปด้วย ใจไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่กับกายให้กายมันทำนู่นทำนี่ไปล้างจานขับรถขนหินกายทำอะไรไปใจก็แค่ดูแค่อยู่กับกายแค่แคนั้นแหละมันน่าจะสบายนะเพราะว่ามันใจไม่ต้องทำอะไรแค่ดูอยู่เป็นเพื่อนกายแต่ทาไมคนเราชอบทำง่ายเป็นยากก็ไม่รู้ แทนที่ใจมันจะอยู่ดูเฉยเฉยมันก็ไปดันไปแบกโน่นแบกนี่กับเขาด้วยกับกายด้วยมันก็เลยเหนื่อยไงเวลา ก, กายเจ็บกายปวดกายเมือ่อยแทนที่ใจจะดูอยู่เฉยดันไปเจ็บไปปวดไปเมือ่อยกับกายด้วยไม่รู้มันอย่างนี้ราโง่หรือฉลาดเวลา ก, กายเจ็บกายปวด อ, อก็ใจก็ดูไปอยู่เป็นเพื่อนแค่นั้นก็พอ ไ ม, ไม่ต้องไปแบกเอาความทุกข์ของกายความเจ็บความปวควมอควมไม่ของกายมาเป็นของกูแต่นี่คือสิ่งที่ใจทำเป็นประจำเวลาไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเนี่ยคนดูแลไม่เป็นต้องต้องไปเอาความเจ็บความป่วยของคนไข้มาเป็นของตัวหร้วพอแค่ดูแลนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าใจมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะ มันจะซ้ําเติมตัวเองหาเอาปัญหาเอาภาระมาใส่ตัวอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัวเพราะความหลงแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่มารู้ตัวนะั้นมันตัวานก็จะอยู่เป็นเพื่อนกายนะแต่ว่าจะไม่แบกไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวเนี่ยเราฝึกใจแบบนี้แหลนะ หลักมันมีแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือเป็นรูปแบบนะจะตามลมหายใจจะเดินจะจะนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรูปแบบสาบแล้วที่เป็นการเจริญสติเนี่ยมันก็เบสิกหรือพื้นฐานก็คืออันนี้มันก็มีขั้นตอนต่อไปแต่ว่าต้องผ่านพื้นฐานตรงนี้้ได้